62ถ้าไม่หลงไปคิดราคาโทสะจะเกิดไม่ได้วงเล็บเปิด16พฤษภาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดกิเลสไม่เข้าใครออกใครหรอกอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังตีกันเลยเรื่องธรรมดาของโลกภาวนาสู้กิเลสไม่ไหวก็โดนกิเลสขี่คอเอาฉะนั้นอยู่ที่เราต้องค่อยๆพัฒนาสติคอยมีสติบ่อยๆคอยรู้ทันกายคอยรู้ทันใจ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 ถ้ามีสติอยู่ราคะโทสะไม่มีทางเกิดเลยถ้ามันเกิดแสดงว่าขณะนั้นขาดสติมันเกิดเพราะอนุสัยความเคยชินเก่าๆที่ไม่ดีของเรายังมีพอมันเผลอก็ปรุงกิเลสขึ้นมาจิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาจิตที่มันขาดความรู้สึกตัวมันหลงมันปรุงขึ้นมาแล้วทําไมมันหลงเพราะมันเคยหลงมันหลงมาแต่ไหนแต่ไรเคยชินที่จะหลงแล้วมันก็หลงบ่อยจิตไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวหรอก การที่เรามาหัดรู้สึกตัวคอยรู้กายคอยรู้ใจเป็นการสร้างความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมาเดิมเคยชินแต่จะหลงอย่างเดียวนี่หลงไปแล้วก็เกิดโลภเกิดโกรธขึ้นมามันเผลอเมื่อไหร่ก็หลงเราต้องค่อยๆฝึกพัฒนาให้สติเกิดวิธีที่จะพัฒนาให้สติเกิดต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตมันหลงไปคิดก็รู้มันหลงไปคิดขึ้นมาแล้วโลภก็รู้คิดขึ้นมาแล้วโกรธก็รู้ถ้าไม่คิดไม่โกรธ ถ้าไม่คิดไม่โลภมีคนถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผูเจรินพระองค์มีการมราคาไหมไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านมีราคาไหมท่านก็ไม่ได้บอกตื้นตื้นว่าไม่มีนะท่านบอกว่าท่านไม่มีการมราคะเพราะไม่มีการมวิตกไม่หลงไปตรึกในกามถ้าไม่มีพยาบาทวิตกมันก็ไม่มีโทสะฉะนั้นถ้าไม่หลงไปคิดไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดราคะโทสะอะไรมันก็ไม่มีขึ้นมา มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่หลงไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่มีสติไม่ตั้งมั่นก็หลงค่อยๆฝึกหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆให้สติเกิด